บุ๊ก <Book> 2หกสิบเก้าอไรตัมิดีต้องการอยากอาวสรมก้าวาลีดิฉันต้องการเตียงนากวกกัมันชมอวสรมดิฉันอยากนอน เนนูพอดูกวัลีที่นี่มีเตียงไหมอีกกระดาษมันช้มุนดดิฉันต้องการโคมไฟน่ากวกับแอมป์พาวเวรมดิฉันอยากอ่านหนังสือเนนูชัดวูกวัลที่นี่มีโคมไฟไหม อ, อีนนออกกราแมป์ุด ดิฉันต้องการโทรศัพท์นากวกกับทรศัพทอวรมดิฉันอยากโทรศัพท์เนวกกับ c a l สโ e วาลีที่นี่มีโทรศัพท์ไหมอี ก, กะดาทรศัมุนดาดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปนากวกกัาเกเราอาสรม ดิฉันอยากถ่ายรูปเนเนูโฟโต้ลูทิสโกวาลีที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมอีกะดาษคเมร่าวันดาดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์นา่ากลัวกวคอมพิวเตอร์อวะสรม็มดิฉันอยากส่งอีเมลเนเน่นวกะ อ, อีเมลปัมปุกโกวะลี ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมอีกะดาคอมพิวเตอร์บุ้งดที่ฉันต้องการปากกาลูกลื่นนา่ากบกับเพนอัバร์มี่ฉันอยากเขียนอะไรหน่อยเนยนี่เยโดราสโกวาลีที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมอีกะดาษกเพเปอร์มาริโอเพนมุ้นันนยย